เรียนธรรมะให้ยึดกฎธรรมชาติถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมะโดยธรรมชาติเอาละเรายกพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่บูชาของเราแต่ว่าทางด้านจิตใจเนี่ยเราเรียนให้มันรู้ธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรมันผ่านเข้ามากำหนดสติรู้รู้รู้อย่างเดียวเพียงแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานเข้มแข็งขึ้นทุกทีทุกที ถ้าหากสมมุติว่าผู้สอนศาสนาสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่ไปจำกัดจำเขียยึดเฉพาะวิธีการมากเกินไปเราเริ่มสอนมาตั้งแต่เด็กที่เริ่มรู้เดียงสาสอนให้มันฝึกสติอย่างเดียวการเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะถ้ายึดหลักธรรมชาติเป็นหลักแล้วเราก็ทุกศาสนาลงเอยอยู่ในจุดเดียวกันหมด อันเนี้ยไปอ้างพระเจ้าบ้างอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างพระพุทธเจ้าสอนเรานี่ธรรมะที่ท่านมาสอนเรานี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์โดยแท้อันใดที่พระองค์สอนว่านี่มันเป็นบาปนะอย่าทานั่นแสดงว่าพระองค์เคยทำบาปอย่างนี้ตกนรกมาแล้วแต่ชาติก่อนโน้น อันนี้มันเป็นบุญทำแล้วขึ้นสวรรค์พระองค์เคยทำบุญอย่างนี้ขึ้นสวรรค์มาแล้ว